ก็ปายเสื่อนไหวเอากายมาเป็นนิมิตเป็นที่ตั้งเบื้องต้นมีสติไปในกายจะาหาเหตุหาผลต่างๆ ไ, ไปเอาความชอบความไม่ชอบมันเนิ่นช้าไปเอความผิดความถูกมันก็ชาสิแล้วไปเอาความสุขความทุกข์มันก็ชาไปแล้วเราจะมารู้อะไรก็ตาม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 มันไม่ได้ขนาดถี่ถ้าตาอจะมองตนมันข้างเมื่อมีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดเมื่อมีแก่ก็ต้องมีไม่แก่เมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายต้องมีไม่ตายแน่นอนที่สุดมองอย่างนั้นอกเราพศึกษาดูก็เห็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเวลาเัาหลงรู้สึกตัวนะยกตนหลกกับความหลงให้ตปนถ้าทาตรงนี้ไม่เป็น ก็ไม่ใช่นักศึกษาไม่ใช่พุทธศาสนาศาสนาก็รูจักยกตัวนี่มันโกดไม่โกด ร, รู้จักตัวมันทุกไม่ทุกเนี่ยเริ่มทวนหรอเริ่มเห็นทถอะแต่อย่าไปอยู่กับความทุกข์ความหลงความหมกมุ่นกจิตเสียเวลามาลู่เสีย ก, ก่อนลู่เสีย ก, ก่อนอะไรที่มันเป็นความรู้จักตัวที่ไม่ใช่ความรู้จักตัวเอามาเป็นบทเรียนนั่หมด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 ต้นสูตรคูณเนี่ยสองห้าก็เป็นสิบสองห้าเป็นสิบไม่ใช่คำพูดเช่นนี้มันแตกฉานไปอีกหลายอย่างสองห้าเป็นเ ก, ก้าไม่ถูกส5ห้าเป็นสิบเอ็ดก็ไม่ถูกเพราะอะไรใครเป็นผูต้ตอบเราตอบเองกวบหลงก็บควมรู้สึกตัวถามใครไปอะไรมันถูกต้องไม่มีคำถามนีม้เท่คคำตอบควถมสุขมทุกถูกต้องไหม